อีกสหนึ่งะอุโบสถสูตรเรื่องนี้เกิดขึ้นราวประมาณพศอ ส, ออสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะเรียกว่ามัชิมะปฐมโพธิการพระพุทธเจ้าแบ่งแบ่งเป็น4 5พ0 0ษาใช่ไหก็แบ่งเป็นปฐมมัชิมะและปัจฉิมะเนหาสามในช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างกลางๆสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปุภารามปราศาสของนางวิสาขา มิคารมานดาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งอยู่ในวันอุโบสถลําดับนั้นแหลเมื่อราตรีล่วงไปแล้วปฐมยามสิ้นไปแล้วก็สี่ทุ่มผ่านไปท่านพระนลลูกจากอาสนะกระทำจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปฐมยามสิ้นไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงปาติโมกแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเมื่ อ, อเมื่อท่านพระอนุนกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วมัชชิมยามสิ้นไปแล้วตีสองผ่านไป ท่านพระนรกนลุกจากอาสนะกระทำจีวรนเฉียงบาข้างหนึ่งประนมอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วมัชิมยามสิ้นไปแล้วภิกษุสง์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาติโมกแก่พิสุทั้งหลายเถิดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงนิ่งอยู่ แม้ครั้งที่สมเมื่อราตรีล่วงไปแล้วปัจฉิมยามสิ้นไปแล้วอรุณขึ้นแล้วก็เรียกว่าสว่างจวนสว่างนะก็เกือบๆสว่างวัทนท่านพระนลลูกจากอาสนะกระทำจีวรเฉียงบาข้างหนึ่งประนมอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปัจฉิมยามสิ้นไปแล้วอรุณขึ้นไปแล้ว จวนสว่างแล้วภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงปาฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอ น, อน์บริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์หมายกว่าจะเอ่ยคำนี้ออกมาเนี่ยนะท่านนขอร้องสามครั้งสว่างพอดีลำดับนั้นท่านพระมหาโมกคลานะดำเรว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนอนุนบริสัทยังไม่บริสุทธิ์ดังนี้ทรงหมายถึงใครหนอแหลํลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคลานะกำหนดใจของภิกษุสงฆ์ด้วยนะทุกหมู่เหล่าด้วยใจของตนเรียกว่าพระมหากสปะเนี่ยดูด้วยเจโตปริยญาณาแล้วรู้เลยสมมติตรวจดูวาราจิตรู้เลยว่าก่อนเจ็ดวันนี้ใครไปทาอะไรมา ก่อนเจวันพระโมกขลานะรู้เลยว่าใครไปคิดอะไรไปพูดอะไรไปทำอะไรยังไงมาเนี่ยจะรู้ทั้งหมดเลยนะ<อ>เหตุการณ์ที่ผ่านไปตลอดเจวันมันเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นบุคคลนั้นพูดทุสีนทุสีนก็คือผิดศีนนั่นเองนะ <folk> 1. 1> มีธรรมะอลามกคือมีธรรมที่จิตใจที่เป็นไปกับบาปมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจ มีการงานปกปิดไม่เป็นสมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะพูดแบบภาษาพระก็ประาชิกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองไม่เป็นพรหมจรีคือตัวเองไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์อะไรปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เน่าในอันราคะรั่วรถแล้วเป็นผู้ดุดอยากเยื่อนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์พูดแบบภาษาเราก็บอกว่ากองขยะกองอยู่นั้นน่ะ หนึ่งกองเลยนะบอกว่าอยากเยื่อเขาแปลว่ากองขยะนั่นเองนะเนี่ยท่านสภาพของพระพิสุเหล่านั้นสภาพจิตใจก็ไม่ต่างอะไรจากขยะที่ที่เรียกว่าเตรียมจะโชยกลิ่นเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าปกปิดยังไม่ยังไม่โชยออกมาท่านก็บอกว่าขยะทางภายนอกเนี่ยนะกลิ่นมันก็แผ่ไปนิดๆหน่อยๆใช่ไหมแต่ความชั่วทางกายทางวาจาที่บุคคลทําไปแล้วเนี่ยมันโชยไปทั้งทวนลมและ ตามลมเนี่ยนะเน่าอ่ะนะเกลี่นเหม็นโทษแห่งความชั่วนี่มันเลวร้ายมากครั้งนั้นท่านพระโมคคัลลานะก็ลุกจากอาสนะเข้าไปหาบุคคลนั้นแล้วได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าจงลุกขึ้นเถิดผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีธรรมะเครื่องอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายอ่ะนะหมายความว่าท่านเนี่ยขาดจากพระภิกษุแล้วท่านไม่มีคุณเครื่องแห่งความเป็นภิกษุเลย ลำดับนั้นบุคคล น, นั้นก็นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองก็บอกว่าจงลุกขึ้นเถิดผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีธรรมะเครื่องอยู่ร่วมกับพิสูจทั้งหลายก็เงียบอีกนิ่งนะเดี๋ยวก็นิ่งในใจบอกเดี๋ยวก็เลิกเองนะเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็เบื่อเองเหมือนกันะทนทนไปหน่อยก็แล้วกันนะครั้งที่สามท่านพระมหาโมฆะคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคล น, นั้นว่าจงลุกขึ้นเถิดอาวุโส พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านแล้วท่านไม่มีธรรมะเครื่องอยู่ร่วมกับพิสุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามบุคคล น, นั้นก็ได้นิ่งเสียก็ก็ทั้งๆ ท, ที่มีความผิดขนาดนั้นก็ยังนั่งอยู่ท่ามกลางพิสุสงได้ไม่มีความละอายนะกะอะไรกะแค่คำที่พระโมคคัลลานะพูดกับ น, นัง่งเฉยอีกพักเดียวเดี๋ยวท่านก็เลิกไปเองแหละพระโมคคัลลานะไม่ยอม ลำดับนั้นแลท่านพระมหาโมกขลานะจับบุคคลนั้นที่แขนฉุดออกไปภายนอกซุ้มประตูแล้วก็ใส่กรอนแล้วใส่กรอนปิดห้ามเข้ามาในเขตนี้เด็ดขาดนะครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ให้บุคคล น, นั้นออกไปแล้วบ ร, บริสัทบริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงปาติโมกแกพิสุทธิทั้งหลายเถิด ก็คือให้พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกันะนะสัพพะปะภาษาการนั่งเป็นต้นะนะให้พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมคคลานะน่าอัศจรย์ดูก่อนโมฆคลานะไม่เคยมีมาแล้วโมฆะบุรุษนี้อยู่จนกระทั่งต้องจับแขนฉุดออกไปบอกโอ้โหมันแปลกประหลาดมากนะไม่น่าเชื่อบอกพูพิสดารจริงๆว่างั้นเน่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ย แสดงว่าหนักมากกันนะถึงขนาดว่าต้องหิ้วปีกออกเลยอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้นะบัดนี้ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่กระทําอุโบสถแสดงปาติโมกตั้งแต่นี้ไปเธอทั้งหลายนั่นแลพึงกระทําอุโบสถแสดงปาติโมกพระพุทธเจ้าเลิกให้โอวาตปาติโมกให้พระพิสูจน์สอเนี่ยไปสวดพิขุปาติโมกแทน นะพระพุทธเจ้าก็สวดปาติโมฆ์ใช่ไหมว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชรําระจิตของตนให้ขาวรอบนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทําร้ายการไม่พูดร้ายเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโอวาตปาติโมฆ์แต่ถ้าเป็นภิกขุ ป, ปาติโมฆ์ก็พระภิสดก็จะมาสวดกันเองว่า อ, อย่างเช่นวันนี้วันอุโบสถที่15นะสมมติอย่างเนี้ยท่านเจ้าข้าขอสมจงฟังข้าพเจ้าอุโบสถวันนี้ที่15บถ้า ความพร้อมครั่งของสง์ถึงที่แล้วสงพึงทาอุโบสถพึงแสดงซึ่งปาติโมกบุพภิกตอะไรเราก็ทําสําเร็จแล้วเราทั้งหลายพึงทําปาติโมกเนี่ย น, นะเรจะมีการสวดเอาศีลของพระพิสุมาสวดกันที่เอามาสวดในปาติโมกที่เราเรียกว่า227ร้อ่สนะนั้อยยีคือหัวข้อที่เอามาสวดในปาติโมกแล้วก็นอกปาติโมกอีกต่างหากเนี่ยนะเขาบอกว่าพระพิสุมีศีล227อันนี้เราเรียกกันเอง แต่ว่าศีลจริงๆเนี่ยมีเป็นตัวเลขร่วมสิบสองหลักมั้งนะจริงๆแล้วศษเนี่ยหาประมาณไม่ได้พระองค์ก็บอกว่าตั้งแต่นี้ไปพระองค์ไม่แสดงปาติโมกแล้วนะดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายการที่ตถาคตจะพึงกระทำอุโบสถแสดงปาติโมกในเมื่อบริษัทไม่บริสุทธินั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส ปฏิเสธเลยว่าตั้งแต่มีคนชั่วเข้ามาเกลือกลัวในศาสนาพระพุทธเจ้าเลิกแสดงปาฏิโมกข์แล้วพระองค์ก็เปรียบเทียบกับมหาสมุทรว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายในมหาสมุทรมีธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแปดประการที่พวกอสศูน์เห็นแล้วที่พวกอศูนเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในมหาสมุทร ทำอันนาอัศจรในมหาสมุทร8ประการเป็นไนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมหาสมุทรลาดลุ่มลึกไปตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวนี้เป็นธรรมะอันนาอัศจรไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วที่พวกอสูรเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในมหาสมุทร นั้นก็จะมีการเดินลงไปฟุบหายไปเลยแบบลงในสระมีไหมเคยเห็นทะเลแบบนั้นไหมไม่มีเว้นแต่ตรงเขาขาดนะตรงเขาขาดอ่ะลงไปอาจจะลึกไปเลยแต่โดยทั่วๆไปนั้นจะค่อยๆเดินลงลาดลุ่มไปเลยค่อยๆลึกค่อยๆลึกไปเรื่อยๆทะเลนี่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติปกติของทะเลความน่าอัศจรรย์ของทะเลประการที่สองบอกมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่ง อันนี้ก็เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเคยเห็นน้ําทะเลล้นเออมาท่วมบ้านเราไหมนะเว้นไว้แต่ช่วงน้ําขึ้นนะนะแต่ว่าปกติธรรมดาแล้วเนี่ยน้ําทะเลก็จะไม่นะไม่ล้นไม่ล้นฝั่งอีกประการหนึ่งมาหาสมุทรไม่เกลื่อนกล่นไปด้วยซากศพเพราะคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าไปหาฝั่งซัดเอาซากศพขึ้นบกดูก่อนพิสูุทั้งหลาย แม้ข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนกลนไปด้วยซากศพเพราะคลื่นซัดเอาซากศพเข้าไปหาฝั่งให้ขึ้นบกนี้ก็เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์เคยเห็นอะไรนะแมงกะพรุนไฟใช่ไหมพอมันตายปั๊บเนี่ยน้ํำทะเลมันจะซัดขึ้นหมดเลยตอนซากสัตว์พวกปลาตายพวกอะไรเมันจะซัดขึ้นบกหมดนะนะซากช้างซากอะไรก็ตามเถอะถ้าขอให้ลอยอยู่ถ้าลอยอยู่นะพัดขึ้นหมดไม่ให้เหลือเว้นไว้แต่จมไปแล้วนะั่น อีกประการหนึ่งแม่น้ำสายใหญ่ๆก็คือแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภพูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมทั้งหมดถึงการนับว่ามหาสมุทรนั่นเองดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้ข้อที่แม่น้ำสายใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภพูมหี แม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมหมดถึงการนับว่ามหาสมุทรนั่นเองนี้ก็เป็นธรรมนะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่สี่ของมหาสมุทรอีกประการหนึ่งแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุตก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้น นะสหรับว่าไม่มีพร่องแล้วก็ไม่มีเต็มเพิ่มอ่ะนะดูก่รที่สูทั้งหลายแม้ข้อที่แม่น้ําทุกสายในโลกไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงไปสู่มหาสมุทรแต่มหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ํานั้นๆ น, น, น, น, นี้ก็เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่ห้าของมหาสมุทรเนี่ยนะที่อสูรพอใจมากอีกประการหนึ่ง มหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเค็มดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแม้ข้อที่มหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยนะมีรถเดียวคือรถเค็มนี้ก็เป็นธรรมะอันน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หกอีกประการหนึ่งมหาสมุทรมีรัตนามากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตน์เหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมมรกต ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้ข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดนะมีเช่นแก้วมุกดาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่เจ็เอกประการหนึ่งมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่หญสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ ใ, ญในมหาสมุทรนั้นก็คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละพวกอสูร อสูรนี่ก็ตัวใหญ่นะนาคคนทันอสูรเนี่ยอย่างเช่นอะไรนะอสุรินทราหูเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยเท่าเข่าไงนะบอกอู้ใครว่าน้ําทะเลลึกๆ ก, ก็ลงไปเหยียบก็เสมอเข่าเองว่างั้นเสมอข้อเสมอเขา่าใครบอกว่าน้ําทะเลลึกกพราตัวใหญ่มากเนงะี้นเพราะอะไรเพราะแม้ที่ร่างกายใหญ่ประมาณ100ร้อโยต์สองร้อยโยต์สามรอยโยต์สี่ร้อยโยต์ห้าร้อยโยต์ก็มีอยู่ ดูการพิสูจนทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรเป็นที่พำนักของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่นะเช่นปลาเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่8ที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีในมหาสมุทรดูการพิสูจนทั้งหลายในมหาสมุทรมีธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8ประการนี่แลที่พวกอสูรเห็นแล้วที่พวกอสูรเห็นแล้วพากันยินดีในมหาสมุทร นีพระองค์ก็เปรียบเทียบธรรมวินัยเนี่ยนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ก็มีธรรมะอันน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8 ป, ประการที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยฉั น, นั้นเหมือนกันนะธรรมะอันหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแปประการในธรรมวินัยเนี่ยเป็นฉไหนะอะไรบ้าง ดูก่อนพิสูจทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทาไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรันลุกอรหั ต, ตผลโดยตรงหมายว่าไม่มีพรวดไปเป็นธาตรหันเลยนะเปรียบเหมือนมหาสมุทรลาดลุ่มลึกไปตามลำดับไม่โกรกชันเหมือนเหวฉะนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทาไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรงนี้เป็นธรรมะอันน่าอาัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในธรรมวินัยนี้ที่พิกูุน์ทั้งหลายเห็นแล้วที่พิสูจนทั้งหลายเห็นแล้วพากันยินดีในธรรมวินัยนี้มาดูอัตกทาเลยนะเชิญ อัตถกาถาอธิบายแต่ละข้อไปโดยลําดับในหน้า540กล่าวว่าท่านถือเอาศิกขาสามเรียกว่าอนุปปภศิกขามีการศึกษาไปตามลําดับศึกษาไปตามลําดับก็คืออธิสีอธิจิตต้องต่อจากอาธิศีนอธิปัญญาต้องต่อจากอาธิจิตเพราะฉะนั้นศิกขาสามต้องเป็นไปโดยลําดับนั่นเอง ส่วนข้อมีการกระทำโดยลำดับเรียก อ, อนุปุภะกิริยาหมายถึงธุดงก็ต้องถือต่อนะธุดงนี่ก็อยู่บริวารร่วมๆกับศีลส่วนปฏิปทาโดยลำดับนะอนุปุภะปฏิปทาก็คืออนุปัสนาเจอนุปัสนาเจก็ต้องเป็นไปโดยลำดับมหาวิปัสนา18อาจจำแนกอารมณ์กรรมฐานหรือสมถะ38 โี่ปัิยธรรมสามท่านก็ถือเอาด้วยอนุปุพระปฏิปทาการปฏิบัติไปตามลำดับบทว่านายตะเกเนวะอัญญาปฏิเวโทวความว่าธรรมดาการไม่กระทำศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาแล้วแทงตลอดอรหัตผลย่อมไม่มี น, นะไม่มีเหมือนการกระโดดแห่งกบ น, นะตรงนั้นเนี่ยมาจากคำว่า ไม่มีเหมือนกับการกระโดดไปแห่งกบอะไรหรอกฉะนั้นส่วนการทําศีลทําสมาธิทําปัญญาให้บริบูรณ์ไปตามลําดับก่อนแล้วจึงบรรลุพระอรหันต์ย่อมมีได้นะจะต้องมีการเป็นปฏิบัติไปโดยลําดับใช่ไหมกระโดดข้ามวิสุทธิได้ไหมไม่ได้ก็ต้องวิสุทธิไปโดยลําดับใช่ไหมศีลแล้ววิสุทธิต่อด้วยจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็ต่อด้วยกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุท ธ, ธิก็ต่อไปด้วย มค า, ขามาขะยานทัศนวิสุทธิมค า, ามคะก็ต่อด้วยปฏิปทายานทัศนวิสุทธิยานทัศนวิสุทธิอริยมรรคเป็นต้นจึงจะเกิดฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้พระพุทธเจ้าห้ามเลยใช่ไหมว่าห้ามว่าไม่ใช่ทรวดเดียวบรรลุไปเลยใช่ไหมแต่หมายถึงมีการปฏิบัติมีการศึกษาไปโดยลำดับ อ้าวแล้วผู้ที่นั่งฟังธรรมแล้วบรรลุปเป็นพระอรหันต์แบบพระพาหิยะล่ะไม่ใช่รวดเดียวเลยเหรอไม่ถึงอย่างนั้นสิกขาก็ต้องเป็นไปโดยลำดับเนี่ยนะโดยลาดับนี่ข้อต่อไปดูบาลีว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต เปรียบเหมือนมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉะนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้ข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ล่วงศิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วนี้ก็เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่สองพระพิสษุสาวกนะหมายถึงพระอริยะตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นถ้าท่านรู้ว่าสิ่งใดพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเนี่ย ท่านจะไม่แกล้งล่วงละเมิดท่านรักษาสิ่งนั้นเสมอด้วยชีวิตนี่เลยถ้ามีผู้ใดตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพระพิสุเหล่านั้นเนี่ยนะผู้ที่เป็นพระอริยะทําไมจึงไม่ล่วงละเมิดไม่ล่วงละเมิดศีขาบรบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็บอกว่าเพราะท่านเป็นผู้พักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างอย่างมั่นคงท่านสละชีวิตทั้งหมดของท่านเพื่อเป็น พุทธบูชาได้พระพุทธเจ้าใช้ให้ท่านไปตายท่านยังไปเลยเหมือนกันท่านจิตใจของท่านเนี่ยพักดีต่อพระพุทธเจ้าฉันนั้นถามว่าทําไมสาวกเหล่านั้นเนี่ยนะจึงพักดีต่อพระพุทธเจ้าฉันนั้นเคยเห็นทหารไหมเขาใช้ให้ไปทําอะไรก็ไปใช่ไหมก็รู้ว่าใช้ให้ไปตายทหารยังไปเลยใช่ฉันได้แล้วนี่แหละแล้าบอกว่าทางโลกก็ได้เบี้ ย, เ, ยเลี้ยงเป็นต้นแต่ว่าทางธรรมล่ะได้อะไร ภิกษุเหล่านั้นท่านได้โสดาปฏิมาคจากพระพุทธเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิพันโสดาปฏิมาคเป็นต้นที่ท่านได้มันยิ่งใหญ่เหลือเกินท่านจึงไม่ละเมิดโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสิกขาบทบัญญัติที่พระองค์บัญญัตินั้นท่านจะไม่ล่วงละเมิดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะอันนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ของอธรรมวิไยนี้แต่ตรงนี้เน้นใครนะเน้นพิเศษคือเน้น อธิษฐาบอกว่ามะมะสาวกกาพระองค์ตรัสหมายถึงพระอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นนะมีพระโสดาบันเป็นต้นนั้นพระโสดาบันนี้จะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วดูกรพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลมีบาปประธรรมมีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะ ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในเนี่ยนะเสียในก็คือเน่าในชุ่มไปด้วยราคะเป็นดุจขยะอยากเยื่อสง์ไม่ยอมอยู่ร่วมอนาธรรมสังฆกรรมกับบุคคลนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์แต่เขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงฆ์ และสงก็ห่างไกลจากเขาเปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่เกลื่อนกลนไปด้วยซากศพอั้นพระพิสูจนที่ไม่ใช่สมณะเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากซากศพที่นั่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะพันทะเลนี้ก็ไม่เกลื่อนกลนไปด้วยซากศพเพราะคลื่นย่อมซัดเอาซากศพในมหาสมุทรเข้าฝั่งให้ขึ้นบกฉะนั้นดูกวามพิสูจทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้ทูศีล มีบาปประธรรมมีความประพฤติ ช, ชั่วไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในชุ่มไปด้วยราคะเป็นดุดขยะอยากเยื่อสองไม่ยอมอยู่ร่วมกับบุคคล น, นั้นคือไม่ทําสังฆกรรมร่วมกับบุคคล น, นั้นเด็ดขาดประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะอยู่จะนั่งอยู่ในท่ามกลางภิกษุสง์ แต่เขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเขาเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะเขามีปฏิปทาปฏิปทาบ่ายหน้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเป็นต้นมันจึงมีความต่างกันอันนี้เป็นความน่าอัศจรรย์ประการที่สความน่าอัศจรรย์ประการที่สี่ล่ะดูก่อนพิสูนทั้งหลายวันนะสี่จำพวกวันนะสีมีกษัตริย์พรามแพทย์สูตร วันณะทั้งสี่เหล่านี้ออกบวชเป็นบนรรปชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตบรรประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมถึงการนับว่าสมณะสักยะบุตรทั้งนั้นนะอย่างเช่นพระอนนท์เป็นต้นะผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้เหลือวันณะว่าเป็นกรรษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรเลยเหลือแต่ความเป็นสมณะสักยะบุตร เปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายามุนาอจิรวดีสระภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมทั้งหมดถึงการนับว่าเป็นมหาสมุทรนั่นเองฉะนั้นดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายข้อแม้ข้อที่วันณะสี่จำพวกคือกษัตริย์พราหมณ์แท้สูตรออกบวชเป็นบนรรปชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและโคดเดิมถึงการนับว่าพระสมณะสกยาบุตรทั้งนั้นนี้ก็เป็นธรรมะอันหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่สี่ที่พิสูุ์ทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วพากันยินดีอยู่ในธรรมวินัยนี้นี่ก็น้าอัศจรรย์นะก็เหลือแต่ความเป็นสมณะสกยาบุตรนะสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าท่านเป็นใครก็บอกข้าพเจ้าสมณะสกยาบุตรเนี่ยเขาก็จะตอบอย่างนี้ก็ถือความเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผโคศกยาโมนี อีก อ, อีกประการหนึ่งว่า ด, ดูกรภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุเป็นอันมากจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานาธนาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มไปด้วยภิกษุนั้นเปรียบเหมือนเมื่อแม่น้าทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมลงในมหาสมุทรและสายฝนก็ตกลงไปสู่มหาสมุทรมหาสมุตก็ไม่ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มฉะนั้น ดูพิสพูกษุทั้งหลายแม้ข้อที่พิกูุทั้งหลายจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุนิพานธาตุก็ไม่ได้ปรากฏว่าพร่องหรือเต็มด้วยภิกษุนั้นนี้เป็นธรรมะอันน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่ห้านะบทว่าณนะเตณนะิพานธาตุยาอุณตังวาปุรตังวาความว่า ใครๆไม่อาจจะกล่าวได้ว่าแม้เมื่อกลับยังไม่สิ้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติแม้สัตว์หนึ่งก็ไม่สามารถจะปรินิพานได้ในการนั้นก็ไม่อาจจะพูดว่านิพพานธาตุเนี่ยพร่องหรือว่างแต่ในครั้งพุทธการสัตว์ทั้งหลายแม้นับไม่ถ้วนสมาคมหนึ่งหนึ่งพากันยินดีอ ม, มะตะธรรมบรรลุมรรคผลในการนั้นใครๆก็ไม่อาจจะพูดได้ว่านิพพานธาตุเต็มมัิรรมนิพพ า, านธาตุก็ยังคงเป็น นี่พานธาธาตุเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่มีอยู่จะบอกว่านิ่พานพร่องก็ไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นผู้บรรลุหาประมาณไม่ได้จะ ก, กล่าวว่านิ่พานเต็มก็ไม่ได้เหมือนน้ำทะเลไม่เต็มไปด้วยน ะ, ะน้ำทะเลนี่ไม่มีพร่องใช่หทะเลไม่มีพร่องอีกข้อหนึ่งดูก่อนพิสูุนทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีรถเดียวคือวิมุติรถ โดยทั่วๆไปก็จะยกตรงนี้บอกว่าธรรมวินัยนับหนึ่งก็ได้นะคือวิมุตติรสเปรียบเหมือนมหาสมุดมีรถเดียวคือรถเข็มฉนั้นดูความพิสูจนทั้งหลายข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรถเดียวคือวิมุตติรถนี้ก็เป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่หนะ บอกว่าวิมุตติรโสแปลว่ามีการหลุดพ้นจากกิเลสเป็นระสะเป็นรสอ่ะนะรสชาติของธรรมวินัยนี้ก็คือการหลุดจากกิเลสจริงอยู่ศาสนาสมบัติทั้งสิ้นย่อมดำรงอยู่เพียงเพื่อจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นหน้าห้าอยสี่เอ็ดกล่าวอย่างนั้นนะดูนะทวนในครั้งบอกว่าศาสนาสมบัติศาสนาแปลว่าคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถึงพร้อม ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาที่ดำรงอยู่หรือผู้ใดปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็เพียงเพื่อให้หลดให้จิตหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะเพื่อไม่ถือมั่นด้วยกามุปาทานที่ถูกปาทานศีลพละุปาทานและอตวาทุปาทานไม่ถือมั่นในขันว่าเที่ยงสุขและอัตตนั่นเอง นันสรุปว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงพระศาสนานี้ก็มีความหลุดพ้นเป็นรสเป็นรสเนี่ยนะเป็นรสชาติของการปฏิบัติก็คือหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยกามุปาทานเป็นต้นนั่นเองดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดนะดูว่าใครจะมีเครื่องประดับเท่าไหร่นะบอกมีรัตนมากพุทธศาสนาเครื่องประดับเยอะแยะดูว่าใครจะมีเครื่องประดับกิชิ้น ในธรรมวินัยนี้รัตนะเหล่านี้คือสติปฐานสี่สัมปทานสี่สมมสอิทิบาทสี่อินทรียห้าพละห้าพ่อชองเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดเปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพนันเงินทองทับทิมแก้วมรกตฉนั้น ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแม้ข้อที่ธรรมวิไนนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดในธรรมวิไนนี้มีรัตนะเหล่านี้คือสติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าพละหโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปนี้ก็เป็นธรรมอันน้าอาศัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่เจมาดูคําอธิบายนะหน้า45่ห้บอบอกว่ารัตนานี้ความว่า เชื่อว่ารัตนะเพราะอัฏฐาว่าให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินดีดูว่าใครมีความยินดีในสติปัฏฐานเป็นต้นเพียงเท่าใดเนี่ยนะเพราะว่าหรือถ้าผู้ใดมีสติปัฏฐานก็แสดงว่าเต็มไปด้วยความยินดีจริงอยู่เมื่อเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นปีติและปราโมทมีประมาณไม่น้อยย่อมบังเกิดขึ้นในสวนเบื้องต้น ถ้าเจริญถูกเนี่ยนะเจริญถูกเนี่ยเจริญต้นๆก็ปีติปราโมทแล้วในส่วนเบื้องปลายไม่จำต้องกล่าวหมายคําว่าเจริญสติปัฏฐ า, กก า, ย า, ยาท น, นที่เป็นโลกิยะก็ปีติปราโมทแล้วจะกล่าวไปยัยถึงสติปัฏฐานที่เป็นโลกุตระเช่นอะไรมาดูว่าสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะว่าพระโยคีย่อมพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายในการใดๆ ในการนั้นท่านย่อมได้ปีติปราโมทนั่นเป็นอมตะของผู้รู้แจ้งหรือเป็นอมตะของผู้เจริญวิปัสสนาหรือเห็นแจ้งรู้แจ้งตัวนั้นก็คือวิปัสสนาเพราะใครที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะย่อมได้ปีติปราโมทเพราะการพิจารณาความเกิดและความดับความเกิดนี่เกิดโดยอาการเท่าไหร่เกิดโดยอาการยี่ดับโดยอาการ 25รูปเกิดโดยอาการ5ดับโดยอาการ5เวทนาเป็นต้นก็นยะเดียวกันนั้นขันห้าเกิดโดยอาการ25และก็มีความดับโดยอาการ25ผู้ใดรู้ความเกิดเกิดนี่มีกี่อย่างเกิดโดยขณะกับโดยปัจจัยรูปขันนี่จะเกิดโดยขณะกับโดยอ่าเรียกว่าโดยขณะแต่โดยปัจจัยโดยปัจจัยมีอะไรบ้างเพราะวิชาเกิด ขันห้าจึงเกิดนี่โดยปัจจัยนะเพราะวิชาเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะตัณหาเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะกรรมเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดเพราะภาษาเกิดเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดอันนี้คือเรียกว่าเกิดโดยปัจจัยถ้าโดยขณะนิพพติลักษณะคือลักษณะที่เกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ อัะขันห้าถ้าจะดับก็ดับโดยโดยปัจจัยกับโดยขณะอวิชชาดับขันหก็ดับปัญหาดับขันห้าก็ดับถ้ากรรมดับขันห้าก็ดับถ้าอาหารดับโรคก็ดับถ้าภาษาดับเวทนาสัญญาสังขารก็ดับถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับและโดยขณะโดยขณะขันห้าก็มีลักษณะวิปริณามะลักษณะคือลักษณะที่แปรไปเนี่ยนะ ตัวหาดูใหญ่เลยอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีเลยเนาะก็ชบทวนะนะปัญญานิเทศพุทธพจน์ต ร, ตรงนี้ยกมาจากคาถาธรรมบทเนี่ยนะคาถาธรรมบทแล้วก็อัจมีอธิวายุยูาแห่งโดยเฉพาะในปฏิสัมพิธามักรหรือในวิสุทธิมักเป็นต้นปีติและปราโมทอันมีโลกิยรัตนะเป็นเหตุหมายค่าว่าสติประทานเนี่ย สติปทานที่เป็นโล ก, กุตระโลกียะเนี่ยวิปัสสนาญาณตรงนี้ก็คืออุทยพยายญาผู้ที่ได้อุทยพยายญาก็มีความสุขแล้วเนี่ยนะมีความสุขที่รู้ความเกิดและความดับมีความสุขที่รู้เหตุเกิดและความดับถามว่าทำไมจึงมีความสุขเพราะเข้าใจเลยว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับเหตุแห่งทุกข์ ไหมเขารู้จักโลกิยสัจจะเข้าใจทราบเสื่งไงโลกิยาสัจจะเลยเพราะว่าความเกิดนี้เป็นสัจจะอะไรทุกขสัจกับสมุทัยสัจความดับเป็นนิโรสัจะกับมรรคสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอริยสัจเนี่ยรู้ช่องทางเห็นแนวทางที่จะดับทุกขได้ก็เลยเกิดปีติและปราโมทเนี่ยนะรู้สาเหตุแห่งวัตถุทุกเข้าใจถึงความดับแห่งวัตทุนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบถ้าพูดแบบชาวโลกเนี่ยนะ ใครที่มีปัญหาแล้วรู้วิธีแก้ปัญหาได้เนี่ยนะแล้วแก้ได้ไม่ยากเนี่ยนะถามว่าจะดีใจไหมก็ดีใจฉันใดผู้ที่มีปีติปราโมชขณะที่เจริญวิปัสนาเป็นต้นก็ฉันนั้นถ้าเจริญมากคิดเรื่องเกิดดับมากๆแต่เครียดขึ้นอนะันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะนั้นปีติปราโมชเนี่ยนะนี่ใช่ก็สังเกตดูนะว่าปีติบ้างไหมเนี่ยนะถ้ายังไม่ปีติเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าก็แห้งแรงใช่หรือวันเดือนเมษาที่ฝนยังไม่ตกนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวท น, ทนทนศึกษาไปเถอะเดี๋ยวก็ถึงพุษภามิถุนากรกดาสิงหาดีกว่าน้ำทั่วเมเองแหละเชื่อวันผู้ที่เขาบอกว่าโลกิยะสตรตะนะคือสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยนะยังปีติและปราโมทถึงเพียงนี้ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงส่วนแห่งเซี่ยวหมายความว่าไม่ถึงส่วนเซี่ยวแห่งอมตะธรรมอันนั้นเลย ไม่ถึงเศษเชี่ยวของการบรรลุพระนิพพานเลยนะความสุขที่เกิดจากการเจริญวิปัสนาอ น, นั้นเนี่ยนะบอกว่าเอาความสุขที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยมหารสิบหกและเอาหนึ่งในสิบหกนั้นมาหารอีกสิบหกวิปัสนาที่เป็นสุขอันนั้นก็ยังไม่เศษเสี่ยวของการบรรลุพระนิพพานเลยฟันใครที่ได้ปีติปรามโมทบอกว่าปีติปรามโมทที่เกิดจากการเจริญวิปัสนาเหล่านี้ถ้าเทียบกับการบรรลุนิพพานยังน้อยนิด เขบอกอะไรนะได้ชิมแค่นิดๆหน่อยๆก็ยังอร่อยขนาดนี้ น, นะนี่ยเบอกว่าถ้าได้ดื่มจะเพียงไหนเนี่ยนะน่าลัวเรงเนาะคำว่ารัตนะเนี่ยนะรัตนะเนี่ยอธิบายอีกความหมายหนึ่งคําว่ารัตนะบอกว่าสิ่งที่ธรรมดาทําให้วิจิตเช่นรัตนะในโลกนี้ก็คือของที่วิจิตไม่ใช่มีอะไรก็เป็นแท่งทึบมาตั้งเลยเรียกว่ารัตนะได้ไหม เป็นแท่งทึบก็ต้องอย่างเพชรก็ต้องผ่านการเจรไนคือทําให้วิจิตถ้าทองคําเอาเป็นทองแท่งมาเลยก็ไม่งามจะต้องเป็นทองที่มีลวดลายเป็นต้นพวกแก้วอย่างอื่นก็ลักษณะเดียวกันรัตนะเนี่ยเพราะทําให้วิจิตหรือคําว่ารัตนะเพราะมีค่ามากหาที่เปรียบปานไม่ได้เป็นของมีค่ามากเช่นจักรรัตนาของพระเจ้าจากกักรพรรดิเป็นต้นและอย่างรัตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากยากที่จะได้เห็น และก็รัตนะเป็นเครื่องใช้สอยของสัตว์ผู้ไม่ต่ำสามเรียกว่าเป็นของใช้ของคนชั้นสูงจึงเรียกว่ารัตนะอย่างสติปัญญาน้วิจิตไหมยก็บอกว่าธรรมดาทำให้วิจิตสติปัญญาก็วิจิตตางโดยกายานุปัสนาจิตานุปัสนาเวทานานุปัสนาและธรรมานุปัสนากายานุปัสนาก็ยังวิจิตเป็ น, อ, น, นาอานะอาณาปานะบาพะอะไรอริยาบทบาพาัพะ สัมปชัญญะบัพพาท่า่าตปฏิกููมนัสิการบัพพาทาตนัศสิการบัพพาแล ะ, ะป่าชา้าอีก9นะอีกเ้าบับพพะเวทนาก็ยังขยายเป็นเวทนาเวทนาเวทนา 9, นะจิตก็ยังขยายเป็นจิตเท่าไหร่ <16. S 1> จิธรรมะยังแบ่งเป็นหมีอะไร อะไรนิวรบพระอะไรขันบัพระอายตนะบับพระโพชฌบัพระแล้วก็สัจจะบับพระใช่เพราะนั้นสติปัฏฐานนี่ก็ยังพิสดารไปอีกตั้งยี่สบเอ็บับพระเพราะนั้นที่รีก ว, ว่าสิ่งที่ทำให้วิจิตไหมครับว่ากระจายเยอะแยะไปหมดเลยเยอะหมดเลยจำไม่ได้เล ย, ยงนะ้เลย สมาชิปทานก็ยังแบ่งออกเป็น4ใช่ไหมสังวรประทานปหาณประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานแต่ละอย่างก็ยังกระจายออกไปอีกอิทธิบาทก็แบ่งเป็น4ี่ใช่ไหมชันทวิริยะจิตตะและวิมังสาอิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญสีเ น, นี่ยนะภละก็ภะละหมีศรัทธาภะละเป็นต้นพุทชองเจ็ด แล้วก็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8รัตนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิจิตนะเป็นสิ่งที่วิจิตถ้าเป็นที่เรียกว่าถ้าพูดแบบสร้างเจดีย์ก็เสาเจดีย์ที่พิเศษลวดลายวิจิต37ต้นนะนะแต่และต้นก็มีลวดลายที่วิจิตงดงามอลังการอย่างอื่นอีกขณะเดียวกันสติปฐานเป็นต้นเหล่านี้มีค่ามากหาที่เปรียบปานไม่ได้นะเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ค่าของสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยคู่ควรแก่การบรรลุมรุนเนี่ยควรจะมีราคาเท่าไหร่นั่นก็เรียกว่าหาค่าเปรียบปานไม่ได้เอาธาตุดินไปวัดค่าของกุศลได้ไหมไม่ได้เพราะธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมไม่คู่ควรค่าแก่กุศลธรรมเลยเนี่ยนะว่ากุศลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้นั้นสติปัฏฐานเป็นต้นนี้จึงเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้สมัยก่อนเนี่ย เขาเจริญสติปัฏฐานถึงกับสละบ้านเมืองเป็นต้นมาเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้จริงๆขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้โพธิปัจจะธรรมเหล่านี้ก็เป็นรัตนะที่เห็นได้ยากานะก็ไปต่างประเทศไปเรียนสติปัฏฐานเนี่ยหาง่ายไหมแถวตะวันออกกลางไปเรียนสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะหมดสิ้นเลยนะทันสรุปว่าในโลกนี้พบเห็นได้ยากมากสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะ ทั้งๆที่พระไตรปิฎกก็กระจายไปทั่วโลกอะนะแต่ว่าตอนนี้พระไตรปิฎกกระจายทั่วโลกใช่ไหมว่ามันไปกับอินเทอร์เนต็ตเนะีไปกดโหลดเอาจากที่ประเทศไหนก็ได้แต่ว่าอ่านมากไหมไม่มากเพราะฉะนั้นแสดงว่าเห็นได้ยากถึงจะมีอยู่ก็เห็นได้ยากขณะเดียวกันพระที่ปริญญาธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องใช้สอยของผู้เป็นเรียกว่าของคนชั้นสูง ไม่สามก็สูงนั่นแหละไม่ต่ำสามก็คือของคนชั้นสูงสูงด้วยอะไรสูงด้วยบุญสูงด้วยกุศลนะสูงด้วยบุญนั่นเองเป็นผู้มีบุญมากจึงจะได้ศึกษาเพราะอะไรสภาพจิตของเขาต้องคู่ควรแกการรองรับกุศลอย่างเยอะมากถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาทั่ ว, วไปรองรับกุศลไม่ได้นะถ้าถ้าคนธรรมดาทั่ ว, วไปยากที่จะรองรับกุศลไม่ได้เคยได้ยินไหมบางคนไม่สามารถจะมีเงินได้ บางคนเนี่ยมีเงินเกินร้อยเมื่อไหร่เสียหายบางคนมีเกินพันเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนบางคนมีเกินหมื่นไม่ได้เด็ดขาดบางคนห้ามมีเกินแสนบางคนห้ามมีเกินล้านเป็นต้นเนี่ยเพราะอะไรถามว่าเป็นอย่างนี้ไหมถ้ามีเกินเมื่อไหร่เสียคนทันทีก็มีเพราะเขามีบุญแค่นั้นะ่ะมีบุญพอที่จะใช้ได้เท่านั้นจริงๆฉันใด ผู้ที่จะเจริญกุศลธรรมสติปัฏฐานสัมมาประฐานอิทิบาทความรู้ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าไม่สั่งสมบุญมาจริงๆก็ยากที่จะรองรับได้อย่างที่หลายท่านก็บอกฟังปั๊บปวดหัวเลยเพราะงั้นนะมนไม่น่าเชื่อเอ๊ะทำไมมันปวดหัวได้ยังไงนะมันเกิดปฏิกิริยาอะไรต่อต้านไม่ทราบบางคนเนี่ยนะฟังพระไตรปิฎกงี้เมาหัวไปหมดเลยนะมันเหมือนกับมองโลกเป็นคลื่นไปหมดเลย แต่ไปฟังเดราชาญคาถาเรื่องทั่วไปปกติไม่มีอะไรมันจะซับซ้อนทะเลาะกันบัง่งก็ไม่เป็นไรนะแต่พอบอกฟังธรรมปั๊บเนี่ยเริ่มและเริ่มโลกมันจะเริ่มเป็นคลื่นขึ้นมาทันทีนะเมาหมดเลยนะมันก็แสดงว่าใครที่เนี่ยก็ดูบุญเก่าเหมือนกันนะจริงๆก็อยากเรียนนะ่ะมีศรัทธาแต่มันเรียนไม่ได้นะมันเรียนไม่ได้มันเครียดมันปวดหัวเป็นต้นแสดงว่าอดีตชาติเคยไปทําเหตุอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะจนตัวเองไม่ได้เรียน สรุปว่าที่ชื่อว่ารัตนะเนี่ยนะเพราะโดยสภาวะเป็นธรรมดาที่ทำให้วิจิตสติประธานเป็นต้นนั้นก็เป็นรัตนะได้เพราะเป็นของมีอยู่จริงจริงอยู่ภาวะแห่งสติประธานเป็นต้นนั้นเป็นอนุภาพของโพธิปักจะธรรมอ น, นะสติประธานสี่สัมมาประธาน4อิทธิบาสีอินสีห้าพละห้าโพชองเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด ถ้าประชมการเนี่ยเชื่อว่าเป็นธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้โพธิปัจขิยธรรมทั้ง37เหล่านี้ที่บุคคลรวบรวมทําให้เต็มเปี่ยมเป็นเหตุใกล้ทําให้ได้สาวกบารมีให้เป็นให้พระสาวกบรรลุสาวกบารมียาณอนุภาพของโพธิปัจขิยธรรม37นะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะจึงมีในโลกเพราะนั้น เหตุที่บรรลุเป็นแบบภาษาริบุตรเหตุให้บรรลุแบบพระโมคคัลลานะอนุภาพของโพธิปัจจัยธรรมโพธิปัจจัยธรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุใกล้ทําให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าบรรลุปัจเจกโพธิญาณถ้าไม่มีโพธิปัจจัยธรรมบรรลุปัจเจกไม่ได้บรรลุเป็นพระปัจเจกไม่ได้ ก็เพราะโพธิปัจจัยธรรมเหล่านี้แหละเป็นเหตุใกล้ทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรว่าโพธิปัจจัยธรรมทําให้บรรลุเป็นพระอัคารสาวกบรรลุเป็นพระประเจกบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอยู่เหตุที่สืบสืบกันมาเป็นอุปนิสัยนะหมายถาว่ า, าถ้าถ้าย้อนทวนหลัง ทานเป็นต้นคิดอย่างนี้นะว่าทานศีลเนคขมะบุญกุศลทั่วไปเป็นอุปนิสัยให้เจริญโพธิปักกัยธรรมโพธิปักกัยธรรมเป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคผลในชั้นแรกๆเนี่ยนะอย่างถ้าถ้ามองแบบถ้าเรียกว่าว่างเปล่าเลยนะว่างตรง น, นี้แปลว่าไม่มีกุศลอะไรเหลือเลยสักนิดหนึ่งสมมติถ้าคนที่ไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยมาเลยแม้แต่นิดเดียว ถามว่าอยากจะเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้ทำอย่างไรดีก็ะเรียกว่าเป็นคนไม่มีบุญเลยแบบนั้นเถอะหมดบุญหมดกุศลกว่าอะไรนะไม่เคยพบปะเจอะ เ, เจอเหตุแห่งความดีในพระศาสนานี้เลยจะทำอย่างไรดีท่านบอกว่าให้ทานก่อนเริ่มให้ทานหรือคำว่าให้ทานเอาดอกไม้เป็นต้นไปบูชาพระเจดีก็ได้อนเอาดอกไม้ไปบูชาเจดีของพระพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานใดขอให้มีบุญะพระพุทธเจ้าสอนโพธิปักฉิธรรมสาเจดประการใดๆขอให้มีบุญได้ฟังสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านั้นด้วยเถอะเมื่อมีบุญฟังสติปัฏฐานเหล่านั้นแล้วขอให้ทรงจำคำสอนเหล่านั้นไว้ได้คำสอนสอนไว้โดยประการใดๆขอให้เจริญโดยประการนั้ น, น, นได้ คำสอนที่สุดแห่งการปฏิบัติตามคำสอนตรัสรู้ทำใดขอให้ตรัสรู้ธรรมะนั้นให้ได้เรียกมองเป็นสมระยะใช่ไหมระยะที่หนึ่งทำบุญก่อนทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาเอาบุญอันนี้เป็นอุปนิสยัยให้ได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติตา ม, โ พ, ตตามโพธิปัจจะธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนผลแห่งการบรรลุโพธิปัจจะธรรมใดก็ขอให้ได้ตรัสรู้เรียกว่ามองเป็นบันไดสามขัน้น หลายๆคนเนี่ยบางทีขอสูงสุดเลยถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าอะไรนะมองไกลไปหน่อยเ <c oughs> ครียว่ามองไกลอ่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าลืมใกล้ด้วย <c oughs> ก็บอกว่าอาหารมื้อพรุ่งนี้ปา ร, รินทร์ น, นี้ปีหน้า <c oughs> ก็มองไปพิจารณาไปเถอะแต่ว่าอย่าลืมมื้อเย็นด้วยนะมื้อเย็นมื้อพรุ่งนี้ด้วยนะไปห่วงมากแต่เรื่องสามวันเป็นต้นจะทานอะไรใช่แต่อีเย็นนี้จะทานอะไรต้องคิดด้วยฉันใด เวลาทำบุญเนี่ยนะอย่างน้อยก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้ฟังคำสอนทาบุญและตั้งความปรารถนาขอให้ได้ฟังคาสอนเมื่อฟังแล้วขอให้มีปัญญาเข้าใจในคำสอนเข้าใจแล้วทรงจำเอาไว้ได้ทรงจำไว้โดยประการใดๆก็ขอให้ปฏิบัติได้ตามประการนั้ น, น, นเมื่อปฏิบัติแล้วขอให้ได้ตรัสรู้ทำที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้า สอนไว้แล้วเถอะมันให้ทานก็ตั้งความปรารถนาอย่างนี้รักษาศีลก็ตั้งความปรารถนาเจริญบุญกุศลใดๆก็ตั้งความปรารถนาแบบนี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้มันดูจะแหมมันชาไปไมังไม่ทันใจหมดใจฮ้อนจะฮ้อนไปถึงไหนเนี่ยนะจะรีบจะเร่งไปถึงไหนรีบซะจนบอกว่าจะไปจะไปจะไปอย่างบางคนบอกว่าเขามีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเขาอยากจะไปอินเดียมาก ก็บอกหลุงพี่ผมจะไปอินเดียเขงาม อ, อ, อท่านจะไปยังไงผมจะเดินทุดงไปเข้ามาไปทางไหนผมจะลัดไปพามา่าจะลัดไปพามา่าแล้วก็ข้ามไปทางศีล อ, อ, อะไรนะปังกละเทศหรืออะไรของเขาเลยจะข้ามไปอินเดียเลยนะบอกพวกนี้เนี่ยนึกกันะยังไงก็ไม่รู้แต่เชื่อมไหมคนที่พูดเนี่ยศึกไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วด้วยะก็คือเขาบอกว่าเขาฝ่ายฟันแต่เขาจาไปเนี่ยนะ จะเตรียบเตรียมสัมภาระแล้วจะไปธุดงค์ว่า ง, งันเดินจาริกมันนะของเขาอยู่ภาคตะวันออกแล้วจะเดินโน่นข้ามไปถึงฝั่งพม่าจะเดินเดินข้ามจากพมา่าเราเชื่อไม่ถึงพมา่าหรอกตายหรืออาจจะตายอยู่แถวแถวพม่า ก, ก็ได้มีพระอีกรูปหนึ่งเหมือนกันท่านบอกว่าท่านจะเดินทุดงไปอินเดียท่านก็เดินทุดงค์อะนะไปพอดีเขาไม่ให้ข้ามไปถ้าข้ามไปก็ตายจริงบอกมันเป็นบุญแล้วที่ไม่ได้ข้ามไปฝั่งโน้นแะั้วถ้าข้ามไปก็ยากที่จะรอด คือบางคนเนี่ยอยากแต่จะไปเนี่ยนะไม่เข้าใจกติกาเหตุผลอะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะไปอยากจะไปหลายคนก็อยากบรรลุนิพพานเหมือนเหมือนกับพระเหล่านี้อยากไปอินเดียไม่รู้ว่าบรรลุอะไรก่อนไม่รู้บรรลุกี่ขั้นบรรลุยังไงไม่เข้าใจอะไรสาาักอย่างเลยก็มีเนี่ยนะอย่างนี้จะว่าอย่างไรวันนี้เห็นว่าโอ้ใจรีบใจเร็วใจรีบยิ่งรีบก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้เร็วขึ้นอะไรถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจเนี่ยนะ เขาบอกว่าบางคนบอกมานั่งเรียนะยอะไรเด็กเขาเรียนไม่ได้หรอกนี้มันช้ามากเพราะงั้นมันไม่ทันใจเขาอะ่ะเขาบอกว่าคุณจะไปเดินตุปัตุเป๊ทำยังงจะไปเดินให้ขาพันเป็น9เลขอะไรก็ไม่ได้สําเร็จประโยชน์อะไรหรอกถ้าไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติในวิสุทธิมรรคท่านบอกเลยว่าถึงจะปรารถนาะพระนิพพานอย่างแรงกล้าขนาดไหนถ้าไม่เข้าใจข้อปฏิบัติก็ไม่สามารถบรรลุได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําบุญตั้งความปรารถนาะให้ได้ฟังก่อน ก็ว่าฟังยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงเอาไปปฏิบัติตามเนี่ยไม่เชื่อนะถ้าเอารถของเราที่คันดีๆเนี่ยไปให้มันเสียหน่อยก็ไปให้เด็กบรร น, นอกที่ไม่เคยมีความรู้อะไรซ่อมให้สิได้ไหมพี่ไรเอาคันงามๆพี่นาไปให้เด็กบรร น, นอกซ่อมให้ทีนี่จะเป็นยังไงนะเป็นยังไงดี เละหมดเลยนะชั้นใดก็ดีนี้ก็เหมือนการไม่เชื่อใครมีคอมพิวเตอร์ดีๆเนี่ยนะไปให้พวกเนี่ยเด็กอนุบาลซ่อมดูเหอะเผื่อมันจะใช้ได้ก็ได้ฟลุกใช่ไหมเป็นไปได้ไหมน้อยเต็มทีชั้นใดเพราะฉะนั้นขอให้ได้ยินได้ฟังก่อนเมื่อได้ยินได้ฟังก็ขอให้มีบุญสามารถฟังแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าต้องการอะไรพระองค์ประสงค์อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์บทนั้นเนี่ยมีความหมายว่ายอย่างไร ทำอย่างไรเราจะปฏิบัติตามนั้นได้การปฏิบัติของเราเนี่ยอะไรเจริญขึ้นโพี่ปัจจยธรรมต้องเจริญขึ้นเราก็มาไล่ดูว่าเราทั้งหลายปรารถนาบรรลุมรรคผลการบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องทำมะสามสิบเประชุมกันเรามาดูนะว่าเราฟังกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพทหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจแค่ไหนเข้าใจว่ายอย่างไรเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ทำ ม, มานุปัสสนาสติปทานสังวรปทานปหาณาปทานาอนุรักษนาประทานภาวนาประทานก็ไล่ไปเอกฉันทิษทีบาดวิริยทีิบาดจิตติที่บาดวิมังสิตทีิบาดนะ ส, สัตถินรีวิริยินรียสตินรีสมาธินรีปัญญินนะรียะนะสัทธาภะวิริยะภะสติภะสมาธิภะปัญญาภะสติสัมโพชฌง ธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิรยิยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัตถิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมามาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมามาสามาธิแต่ละอย่างเป็นอย่างไรไอแต่ละอย่างเป็นอย่างไรก็ยากอยู่แล้วนะแล้วทั้งสาสิบเจอย่างประชุมกันได้อย่างไรถ้าประชุมกันได้นี่แหละจึงสมควรที่จะ บรรลุมรรผลเพราะโสดาปฏิมรคคือการประชุมของโพธิปักจียธรรมเป็นการประชุมอริยศ ร, รัพย์นะอริยศ ร, รัพยรร์ทั้ง37เประการต้องมั่งมีพอที่จะปิดอบายได้จะต้องฐานะดีขนาดนั้นนะในด้านกุศลธรรมใช่ไหมร่รวยทางกุศลธรรมเพราะผู้ที่ได้บรรลุปัญญาบรรลุเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยทัพย์เป็นโอรสของ พระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยมั่งมีขนาดนี้ใช่ไหมจึงสมควรแก่โอรสของพระธรรมราชาพระพุทธเจ้าในฐานะธรรมราชาพระธรรมราชาเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นธรรมสามีใครที่จะเป็นลูกของพระองค์คือลูกของพระองค์คือพระโสดาบันขึ้นไปเรียกว่าบุตรของพระองค์ถามว่าควรจะร่ารวยขนาดไหนจึงจะเรียกว่าบุตรของพระองค์ถ้าลูกของพระองค์กําลังตกยากอยู่ล่ะก็ยังไม่ใช่ลูกของพระองค์นะ ยังไม่ถึงความเป็นบุตรของพระองค์ถ้าเป็นบุตรของพระองค์ก็ต้องมั่งมีด้วยอริยทรัพย์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครทําบุญเนี่ยนะอย่างใครที่จะไปสนามหลวงไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยไปไหว้พระธาตุเทศประดิษฐานกลางสนามหลวงวันนี้พรุ่งนี้ปา ร, รืนนี้จนถึงวันวิสาขะก็ตามตั้งความปรารถนาด้วยเถิดว่าบุญกุศลที่บูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ฟังโพธิปักจยธรรมสามสิบเจ็ดให้มันเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วขอให้ได้เจริญโพธิปัจขยธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้อย่างสมบูรณ์ขอบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญโพธิปักขยธรรมเหล่านี้จงตรัสรู้อริยสัจด้วยเถิดเนี่ยนะเขาตั้งความปรารถนาไปเรื่อยๆบอกว่าตั้งความปรารถนายัางไม่กล้าตั้งจะกล่าวไปยัยถึงบรรลุว่างั้นเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพะฉะั้นเราจะต้องกล้าตั้งความปรารถนาที่จะเจริญ สิ่งเหล่านี้ก่อนจิตั้งว่าเราจะต้องเจริญสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีศรัทธาในภายในก่อนว่าเรามีศรัทธาเชื่อว่าเราทําได้จริงๆเรามีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามนั้นแต่ถ้าไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติให้ให้ถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเหล่านี้นะถ้าเกิดเราไปปฏิบัติบรรลุนี่เราบรรลุอะไรหน่าคิดเหมือนกันนะถ้าของมาถ้าที่ผ่านมาถ้าได้บรรลุนี่จะแปลกหนักใจมากเลยนะท่าก็บอกว่าท่านบรรลุแล้วเนี่ยบรรลุอะไร นะบรรลุแบบคนยากแบบนี้เหรองแบบนั้นนะ่ะนะน่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมมันก็ขอให้เราได้พบพระธรรมที่แท้จริงที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมถ้าบริบูรณ์เต็มเปี่ยมด้วยกุศลธรรมคู่ควรแล้วที่จะทนทุกข์พระองค์บอกว่าการตรัสรู้ธรรมเลิศต้องตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติที่เลิศ ก, การตรัสรู้ธรรมชั้นเลิศจะตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติเลวๆได้ไหมไม่ได้เ น, ะนี่ยนะมันโพธิปักษยธรรมเราต้อง ตั้งความปรารถนาขอให้เจริญอย่างน้อยที่สุดนะเราต้องฝึกเจริญเมตตาให้ตัวเองก่อนนะเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่างๆก็เจริญเมตตาแก่ตัวเองบ้างก็ได้ว่าขอให้ข้าพเจ้าเจริญสติปทานสี่นะนะให้เจริญสติปฐานสี่ขอให้ได้เจริญสัมมาปทานสีขอให้ได้เจริญอิทธิบาทสขอให้ได้เจริญอินทรี่ห้ขอให้มีปัญญาเข้าใจเจริญพละเจริญโพชชงเจริญองค์มรร ทำไมเราจะตั้งความปรารถนาอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมการตั้งความปรารถนาที่จะเจริญนี่แหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยตัวนี้แหละเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะเราปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีๆให้แก่ใจของเราก่อนจึงสมควรที่จะตรัสรูม้มรรคผลถ้าไม่ตั้งอุปนิสัยที่สมควรที่ดีเพียงพอยากคําว่ายากขออย่าได้ยินเลย อาหรือชอบฟังคํานี้ยากยากยากจริงๆ10ปีก็แล้วก็ยังยากอยู่ตามเดิมยังไงนะเอาไหมมันต้องอะไรนะเปิดเผยนะถ้าถ้าเปิดเผยได้แล้วก็แสดงว่าไม่ยากแล้วใช่ไหมตื้นก็แสดงว่าไม่ใช่ลึกก็แล้วเปิดเผยทําให้ตื้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิศึกษาคําสอนเราก็ต้องมีอะไรจะต้องเบายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าใครบอกว่าแม็กหนักกว่าปีที่แล้วเนี่ยแสดงว่า เ, เกิดอะไรขึ้น ยังว่าเรียนปีนี้กับปีที่แล้วไหนสบายใจกว่ากัน น, นะปีนี้ก็เข้าใจมากกว่าเก่าใช่ไหมถ้าหากว่าปีนี้งงกว่าปีที่แล้วนี่ก็เอ๊ะตอนแรกก็ฉลาดดีๆเนี่ยว่าก็บอกว่าเออเรียนกันยังไงเรียนไปเรียนมายิ่งงงกว่าเก่าเนี่ยนะเรต้องเข้าใจดียิ่งๆขึ้นไปซิเนี่ยนะโรงเรื่องบอกอย่า ง, งานั้นโรงเรื่องบอกว่าแม่ถ้าได้เรียนเนี่ยระยะ ย, ยาวนี่ต้องเข้าใจอยู่แล้วล่ะนะเรื่องก็ไม่เลือกล็อกเนี่ยนะแต่ว่าพอดีจะติดงานศพแค่นั้นแหละ ไม่เลิกไม่เลิกอะเพราติดต้องไปเผาศพนี่แหละก็เท่ากับบอกว่าโบกเมือองลาก่อนวันหนึ่งเหมือนพวกนี้ลรงเรืองไม่อยู่แมสรุปนะทบทวนอีกว่าในหน้า่541บรรทัดล่างสุดบอกว่าเหตุที่สืบสืบกันมาเป็นอุปนิสัยก็ที่จริงต้องแปลว่าทานเป็นต้นนั่นแหละเป็นอุปนิสัยที่สืบสืบกันมา ทำให้ได้เจริญโพธิปัจกยธรรมโพธิปัจกยธรรมเหล่านี้แหละเป็นเหตุแห่งสาวกบารมียานเป็นเหตุแห่งปัจเจกโพธิยานเป็นเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิยานเนีย่ยนะจะต้องอเมื่อวานที่ถ้าใครไปสนามหลวงได้ฟังเรื่องอะไรสเมเด็จบัณฑิตท่านสมท า, านบารมีสิบใช่ไหมท่านสมาทานบารมีสิบนะว่าบารมีเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเพื่อโพธิยานมันท่านให้ทานรักษาศีลก็เพื่อจะได้เจริญโพชงนั่นแหละ อนนะสร้างอุปนิสัยบุญกุศลการให้ทานการรักษาศีลขอให้ได้มีบุญได้เจริญสติปัฏฐานคนที่ไม่ได้ให้ทานมาเนี่ยนะเจริญสติปัฏฐานได้ไหม <c oughs> เขาบอกว่ายากนะเพราะชีวิตที่ที่อยู่ด้วยความเดือดร้อนเรื่องปากเรื่องท้องยากที่จะเจริญกุศลธรรมได้ยากที่จะรักษาศีลได้เพราะฉะนั้นการให้ทานเป็นต้นนั้นจึงมีความจาเป็นเพื่อที่จะได้เจริญสติปัฏฐานเป็นต้น รวมความว่าสติปัฏฐานเป็นต้นคือโพธิปัจขิยธรรมสาิบเจ็ดเนี่ยนะเป็นรัตนะเป็นความยินดียิ่งแห่งโพธิปัจขิยธรรมเพราะอาจว่าทําให้เกิดความยินดีใครที่เจริญสติปัฏฐานได้ตามนี้จริงๆนะปฏิบัติในโพธิปัจขิยธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความยินดีเขาจะมีความปราบปลื้มใจมีการกระยิบในใจเนี่ยนะนะมีความกระยิมในใจโดยมากอะนะน้อยนักที่จะอะไรนะ ก็เหมือนอย่างว่าที่จะมาวิตกกังวลในเรื่องของการเจริญกุศลธรรมเนี่ยน้อยมากเขามีแต่จะคิดว่าทํำยังไงกุศลที่มันมีอยู่เท่านี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปริมาณไอ้คำว่าเพิ่มปริมาณแห่งกุศลเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณค่าเพิ่มคุณานุภาพของกุศลเหล่านั้นให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างตอนที่ใครเจริญในเริ่มต้นหรือเจริญได้ไประดับหนึ่งก็มีความปราบปลื้มใจแต่สิ่งที่เขาต้องการยิ่งกว่านั้นคือ เพิ่มเพิ่มค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าเพิ่มราคาจนกว่าจะจากสมมติว่าการมาวจรกุศลเนี่ยนะมหากุศลที่เป็นไปกับสติปทานสมมติปทานเป็นต้นเนี่ยยังเป็นปริจตธรรมอยู่ของเราทั้งหลายกุศลเหล่านี้ยังเป็นปริจตธรรมอยู่แต่ก็ถือว่าเยอะแล้วและแต่ก็ยังเป็นปริจตธรรมยังน้อยอยู่เมื่อใดหนอกุศลเหล่านี้จะเป็นมหคตะธรรมและอัปปมาณะธรรม อันนันจะต้องเพิ่มคุณเพิ่มมูลค่าจากปริตระเป็นมหคัตเพิ่มจากปริตระเป็นอัปปมามณธรรมเนี่ยนะจะต้องเพิ่มคุณค่าเพิ่มคุณภาพให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นแต่ถ้ายังเพิ่มไม่ได้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าชาวโลกเขาค้าขายยังมีเป้าใช่ไหมแต่เขากําหนดไหมหรือว่าค้าขายลอยๆไปวันๆหนึ่งแล้วแต่มันจะเป็นไปมันเป็นอนัตตาเนี่ยก็ปล่อยมันไปมันจะอะไรก็ช่างมันเถอะไม่มีเป้ามีหมายอะไรซากอย่างเลยนะ ถ, ถ้าอย่างนั้นนะ เอารับไปเป็นพนักงานที่บริษัทสักห้าคนไหมขนาดไม่มีคนอย่างนั้นมันก็แทบจะไปไม่รอดอยู่แล้วนะถ้ามีคนอย่างนั้นสักสามคนอยู่ในบริษัทก็แทบจะปิดภายในเจวันได้ซ้ําไปสรุปว่ารัตนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมดาทําให้วิจิตสิ่งที่ทําให้เกิดความยินดีมากในบรรดาธรรมะคือโพธิปัจจะธรรมเหล่านั้นเชื่อว่าปัจฐานเพราะอะไรอย่างลงปรากฏในอารมณ์ กรรมคือกรรมเริ่มแรกคือสติชื่อว่าสติปัฏฐานเธอสติที่ยังลงไปในอารมณ์สติที่ยังลงในอารมณ์นี่ยังว่ายัางไงออกต่อไปนะมาดูว่าก็เพราะอารมณ์มีสี่ด้วยอำนาจกายเป็นต้นอารมณ์มีสี่ใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมจริงอย่างนั้นสติปัฏฐานเหล่านั้นท่านแยกออกเป็นตัวสติก็แยกเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็น เวทานานุปัสนาสติปทานเป็นจิตตานุปัสนาสติปทานและเป็นธรรมานุปัสนาสติปทานทีนี้กายานุปัสนาสติปทานเพราะละวิปลาดละความสาคัญหมายว่างามเวทนานุปัสนากละความสาคัญหมายว่าเป็นสุขจิตตานุปัสนากละความสาคัญหมายว่าเที่ยงธรรมานุปัสนากละความสาคัญหมายว่าเป็นอัตตา เพราะปกติหมู่สัตว์ทั้งหลายสําคัญกายว่างามสําคัญเวทนาว่าที่ว่าสุขสําคัญจิตว่าเที่ยงสําคัญธรรมทั้งหลายว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะพ้นผู้ที่เจริญวิปัสนาเจริญกายเนี่ยนะเพราะยึดถือในกายสติปัฏฐานที่หยางลงเนี่ยนะยึดถือในกายว่าเป็นของไม่งามสติปัฏฐานเนี่ยนะหรือวิปัสนาท่านบอกอ่าพี่นิเวศมันเงนนะเป็นงานยึดเหมือนกัน แต่ยึดคนละอย่างจากกิเลสกิเลสนี้ยึดว่างามสมมติว่าวิปลาสยึดว่างามกายานุปัสสนายึดว่าไม่งามเวทนาเนี่ยนะวิปลาสยึดว่าสุขแต่วิปัสสนายึดว่าเป็นทุกข์จิตเนี่ยวิปลาสยึดว่าเที่ยงวิปัสสนายึดว่าไม่เที่ยงเพราะนี่ก็ยึดว่ายึดถือว่าไม่เที่ยงยึดถือว่าเป็นทุกข์ยึดถือว่าเป็นอนัตตาเป็นต้นนั่นเอง เขาจึงเรียกว่าสติปัฏฐานนะตั้งตั้งมั่นอย่างลงอะนะกายานุปัสนาอย่างลงว่าอสุภาเวทนาอย่างลงว่าเป็นทุกจิตตานุปัสนาอย่างลงว่าเป็นเป็นของอนิจจังอะไม่เที่ยงธรรมะก็ยึดอย่างลงว่าเป็นอนัตตาเอ้ยมั น, น า, านัตตาตกลงให้ทํำยังไงอนัตตาเอามันเป็นอนัตตานี่อันนะ่ะอนิจจังทุก อ, อะไรนะอัศพาไม่สงสยัยใช่ไหม ทุ ก, ก็ไม่สงสยัยไม่เที่ยงก็ไม่สงสยัยแล้วอนัตตาตกลงจะให้ทํำยังไงเอาเมื่อทํามันเป็นอนัตตาก็เลยลก็เป็นอนัตตาจะอนัตตาจะให้ตกลงเป็นว่าไงบอกว่าระ ล, ลึกให้ดีๆนะว่าธรรมะเนี่ยนะมีอยู่ห้าอย่างในสติปัฏฐานห้าอย่างมีอะไรบางหนึ่งนิวรสองขันสามอายตนะสี 4, โ่โพชฌงห้าสัจจะ นิวรเนี่ยนะอนัตตาแบบนิวรณ์ทำยังไงเอา้านิวรณ์นี่เป็นอนัตตาไม่ใช่หรือควรทํำยังไงควรละถ้าอนัตตาแบบขันขันเนี่ยนะพิจารณาความเกิดความดับเป็นต้นขันขันเป็นปริญยาธรรมอายตนะก็เป็นปริญญยาธรรมแต่ที่สําคัญในอายตนะบัพพะคืออะไรให้รู้จักจักสูรู้จักรูปรู้จักสังโยตที่อาศัยจักสูรและ รูปสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดโดยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปโดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วโพชฌงนี้เป็นอน้าตาแบบไหนเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญไดอริยสัจสีทุกเป็นปริญยยาธรรมสมุทัยเป็นปหาตปธรรมนิโรธเป็น สัจจิกาตประธรรมมัเป็นภาเวตปะธรรมนั่นคืออนัตตา น, นั่นคืออนัตตาเพราะในนั้นไม่มีอัตตาอยู่เลยแต่อนัตตาก็แบ่งประเภทคนละกลุ่มคนละกลุ่มไปเนี่ยนะว่านิวรณ์ก็เป็นกลุ่มอนัตตาที่จะต้องละโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนี่ยนะเหมือนกับเรียบดับไฟที่ไหม้บนศีรษะฉะนั้น ต่อไปที่ชื่อว่าสัมมปทานสัมมปทานเนี่ยนะเมื่อเข้าใจข้อปฏิบัติคือสติปัญญานดีแล้วสิ่งที่ตามมาจําเป็นมากก็คือสัมมปทานเพราะเป็นเหตุให้พระโยคยีเริ่มตั้งโดยชอบหรือว่าตนเองเนี่ยเริ่มตั้งโดยชอบหรือการเริ่มตั้งที่บัณฑิตสรรเสริญหรือความเป็นความดีอันนี้เขาวิเคราะห์สับนะวิเคราะห์สั์ลักษณะของสัมมปทาน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสัมมาประธานเพราะเป็นเหตุให้บุคคลทำความเพียรโดยชอบนั่นเองคำว่าสัมมาประธานนี้เป็นชื่อของวิริยะคือความเพียรก็สัมมาประธานความเพียร น, นั้นเรียกว่าสัมมาประธานสี่เพราะกิจสี่อย่างสัมมาประธานนี้ทำกิจสี่อย่างคือกิจที่หนึ่งไม่ให้อากุโสรธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น กขบอกว่าที่ยังไม่เคยเกิดไม่จําเป็นเลยนะรีบตัดเลยนะรีบร้อมกรอบบอกว่าไอ้ที่มันไม่เคยเกิดนี่ยมันดีแล้วแต่ที่สําคัญไอ้ที่ไม่เคยนั้นต้องไม่เกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีอยู่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วอกุศลน่ย น, นะฉะนั้นไอ้ที่ยังไม่เคยเกิดเราบอกยาเลยไม่ต้องไม่ต้องพอละต่อไปละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไอ้ที่มันเกิดเกิดนี่ก็ชําระให้มันหมดออกไป ถ้ามองอกุศลเหมือนหนี้สินเนี่ยนะหนี้สินที่มันเลวร้ายมากเนี่ยนะบอกว่าชั้นแรกก่อนก็ต้องไม่มีอาการสร้างหนี้สินใหม่ๆขึ้นมาจะต้องกําจัดโดยประการตั้งปวงข้อต่อไปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับหนี้สินที่มีอยู่ก็เอาออกไปให้หมดทํากุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นก็เท่ากับเพิ่มรายได้ใช่ไหมรายได้ที่ยังไม่มีก็ต้องสร้างให้มันมีรายได้ขึ้นอันนี้อริยทรัพย์นะนะ อริยสัพที่ยังไม่เกิดก็ต้องทำให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วน่ะก็เอามาเพิ่มใชนะทำให้เจริญขึ้นเช่นศรัทธาที่ยังน้อยก็เพิ่มหรือกายานุปัสสนาก็เพิ่มปริมาณเพิ่มคุณค่าของกายานุปัสสนาเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มอนุภาพของเวทนาจิตและทำให้กุศลสติปัฏฐานนั้นน่ะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะจนจากที่เรียกว่าปริตธรรมเป็นมหาคตธรรมและเป็น อประมาณธรรมจากเล็กน้อยให้เป็นโลกุตระนั่นแหละจากอยู่ในโลกเอาให้ข้ามโลกให้ได้นั่นแนหะจะต้องเป็นการเพิ่มอย่างนั้นอย่างนั้นลักษณะอันนี้แหละเรียกว่าสั ม, มปทานสั ม, มปทานส่วนอิทธิบาทอิทธิฤทธ์เนี่ยนะเพราะสำเร็จหรือสำฤทธิ์ผลหรือเพลิดผลฤทธ์เนี่ยเป็นเหตุให้สําเร็จสำฤทธิ์นะนะคำว่าสำฤทธิ์ผลนะนะเจริญถึงความสูงสุดแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยบทแรก คือบาทความสำเร็จเมนนะเป็นบาทที่ทำให้ประสบความสำเร็จอิธิแปลว่าความสาเร็จใช่บาทก็คือฐานน่นะฐานแห่งความสำเร็จหรือเหตุแห <c Lightning> <c oughs> ่งเหตุที่ทาให้ประสบความสาเร็จอธิบาทก็คือเหตุที่ทาให้ประสบความสาเร็จหรือบาทที่ตั้งนะหรืออุบายให้ถึงความสำเร็จอุบายเป็นเครื่องให้บรรลุความสำเร็สสำเร็จอะไรเนี่ย สำเร็จในที่นี้คือสำเร็จมรรคผลนะนะสำเร็จฌานมรรคผลเป็นหลักสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงคือบรรลุความสำเร็จกล่าวคือคุณวิเศษสูงสูงขึ้นไปด้วยอิทธิบาทหรือด้วยเหตุแห่งความสำเร็จอุบายเครื่องบรรลุความสำเร็จอิทธิบาทนี้นั้นเรียกว่าอิธิบาทีเบื้องต้นอิธิบาทนี้เป็นอธิบดีขณะโลกุตระนะอิธิบาศีต้องประชุมกันแต่เบื้องต้นเวลาเจริญเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอธิบดี เช่นถ้าฉันที่ทีบาทเบื้องต้นจะเรียกว่าเป็นฉันทาธิปฏิขณะที่กําลังเจริญบางครั้งก็เป็นวิริยาธิปฏิบางครั้งก็เป็นจิตตาทิปติบางครั้งก็เป็นวิมังสาธิปติขณะโลกิยนะจะเป็นอธิบดีหมดเลยแต่ขณะโลกุตระจะเป็นอิธิบาตหมายความว่าทั้งสี่จะประชุมกันขณะโลกิยะจะมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างบางครั้งให้ฉันทาเป็นหัวหน้าบางครั้งให้วิริยะเป็นหัวหน้าบางครั้งจิตเป็น หัวหน้าบางครั้งปัญญาเป็นหัวหน้าแต่ขณะโลกุตระต้องพร้อมกันขณะโลกุตระนี่เขาไม่เรียกอธิบาเดีแต่ เ, เรียกอิธิบาทเบื้องต้นเนี่ยโดยมากจะเรียกอธิบดีนะเพราะาชั้นทัเบื้องต้นนั้นเป็นชั้นทาธิปติวิริยะเบื้องต้นเป็นวิริยาธิปติจิตเบื้องต้นเป็นจิตตาธิปฏิปัญญาเบื้องต้นเป็น วิมังสาที่ปฏิถ้าประชุมกันก็เป็น อ, อะไรนะอิธิบาทนะถ้าเป็นระดับสูงแล้วเรียกว่าอิธิบาทขณะอิธิบาทต้องประชุมกันจะต้องมาทั้งฉันท้าวิริยะจิตตะและวิมังสาต้องพร้อมกัน <c oughs> ต่อไปอินทรีบ้างะนะปัญจินริยาน้อินทรีห้ามีศรัทธาเป็นต้น อินทรีย์าศรัทธาชื่อว่าอินทรีย์เพราะอะไรเพราะครอบงําความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาศรัทธานี่แปลว่าความผ่องใสใช่ไหมไม่มีศรัทธาก็คือความขุนมัวเพราะฉะนั้นต้องมีศรัทธาชําระความขุนมัวจากจิตให้ได้อกุโสธรรมทุกอย่างเรียกว่าไม่มีศรัทธาจะต้องมีศรัทธาชําระความขุนมัวเหล่านั้นทั้งหมดแล้วทําให้เป็นใหญ่ในลักษณะอธิโมกข์คือน้อมใจไปในพระพุทธเจ้าพระธรรมและ พระสง์ต้องน้อมไปหาไปหาพระรัตนตรยัยหลายท่านก็บอกจะให้พระรัตนตรยัยน้อมเข้ามาหาตัวเองก็สมัยใหม่นะก็บอกว่าทําไมไม่ทำพระไตรปิฎกให้มันง่ายๆให้คนสมัยใหม่อ่านบ้างหน่งบอกโอ้ยใครสารณะใครกันแน่เนี่ยใครต้องโอนไปหาใครเนี่ยยังงงเลยนะสรุปว่าใครเอาใครเป็นสารณะมนะันให้ใครโอนไปหาใครเนี่ยนะทําไมไม่ทําให้มันง่ายๆบอกง่ายก็มีอย่างเดียวนั่นแหละ อันศรัทธาเนี่ยนะก็ครอบงำความไม่มีศรัทธาความผ่องใสต้องกำจัดความขุ่นมัวแล้วก็น้อมใจไปในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในชั้นสูงก่อนน้อมไปเพื่อแทงตลอดมรรคผลนั่นเองวิริยะนะปัญญาตรงนั้นผิดนะวิริยะชื่อว่าอินทรีเพราะครอบงำโกศชะแล้วทำให้เป็นใหญ่ในลักษณะแห่งการประคองเอาไว้นะคนระับปัญวิริยะเนี่ยที่ชื่อเป็นอินทรีเนี่ยประคอง ประคองอะไรประคองกุโสรธรรมเป็นตัวผลักดันสมมุติว่าสติประฐานเป็นสติสติกับปัญญาเป็นตัวปฏิบัติอย่างเงี้ยนะวิริยะเป็นตัวหนุนหนุนทํางานต่อไปอย่าเลกิกอย่าเบื่ออย่านายอย่าท้าอนะก็มีแต่ดันอย่างเดียวเนี่ยนะลักษณะ น, นั้นคือวิริยะวิริยะทำงานดันอย่างเดียวผลักดันดันนั้นสำเร็จเนี่ยนะแต่ว่าหัวหัวหอกที่ไม่ดีไม่รู้อะไรแต่ว่าวิริยะดันอย่างเดียวมันลักษณะนนของวิริยะเนี่ยผลักดันถ้าผลักดันอย่างนี้ก็ ไอ้ตัวโกศช่าบอกอย่าเลยวันหลังก็ได้โอ้ยชาติหน้าก็ได้นี่นะเป็นต้นนี่อย่ารีบเลยอะไรเนี่ยโกศช่ามจะบอกงั้นนะคือสรุปว่าโกศช่าบอกว่าอย่าเพิ่งเจริญเลยกุศลวิริยะบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบต้องทาไม่ทําตอนนี้จะไปทําเมื่อไหร่เล่าว่างั้นสติครอบงําความประมาทสติครอบงําประมาทะแล้วทําให้เป็นใหญ่ในลักษณะปรากฏปรากฏโดยอสุภะเป็นต้น สมาธิครอบงำความฟุ้งซ่านแล้วทำให้เป็นใหญ่ในลักษณะแห่งความไม่ฟุง้งซ่านปัญญาครอบงำความไม่รู้แล้วทำให้เป็นใหญ่ในลักษณะการเห็นถือทัศนะอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้เพิงทราบว่าเป็นพะละเพราะเป็นธรรมชาติมั่นคงในสัมปยุตธรรมเพราะอัดว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเช่นโดยความที่ศรัทธาความไม่มีศรัทธาครอบงาไม่ได้ ความเกียดคร้านครอบงำไม่ได้ความหลงลืมครอบงำไม่ได้ความฟุ้งซ่านครอบงำไม่ได้ความโง่คืออวิชชาครอบงำไม่ได้ส่วนพ่อชมเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน